พุทธังสารนังคัจฉามิธรร ม, มังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามินะโมพุทธายะกัมม ato อิมิตังสีวิตังจุติดีใจวันนี้ทุกท่านทั้งหลายได้มารวมประชุมกันณนะสถานที่สําคัญที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สีอทิจัด มานานแล้วเรื่องจิตใจของพวกเราเรื่องบุญเรื่องกุศลของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายเกิดเจ็บเจ็บตายรอยภพภันฑะรอยาศาสพันธวีลมพัดลมตีไปทั่วสามแดนโลกธาตุแล้วแต่บุญแต่กรรมทุกท่านนะบุญส่งมาถึงพวกเราปัจจุบันบุญปู่ย่าตายายนอกมให้กับห้ไหว้ให้กินให้ทาน เพื่อนกลั ว, วเพืเกลียดพื่นหลาบเกลดหลาบอะไรคื อ, คอเก่เจ็บตายท่านไม่ปรารถนาต้องการแต่มันก็ค่อยทําไปน่ะเ่ราะว่าทำไปอไปืมเพราะว่าอืมการเดินทางการบําเพ็ญกุศลอืเข้าเส้นทางอืมพ้นทุกข์เนี่ยมันไปยากอืมเพราะแม่ครูบาอาจารย์ที่เพื่อนรับทำคาสอนของพุทธเจ้าอ ม, มาโปรดพวกเราไม่ใช่ของง่ายๆ่ายศาสนาของพุทธเจ้าเราสองพันกว่าปีที่ ประฏิสถานขึ้นที่เมืองยินเดียปู่ก็ได้ไปไปข้างหนึง่งไปเห็นก็ว้านปู่เมืองยา่าบรรดาเมืองใหญ่ก็เราต้องมาแต่นูนเลยเพราะว่านำศาสนาที่นูนสูญหายไปหมดไปดูแล้วก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากคือคนเกิดแก่เจ็บตายไปเห็นอืความสังสลดสังเวชเผาจี่กันอยู่สุกเวลานาทีเกิดแล้วตายอีกเกิดแล้วตายอีก ยังโชคดีเราได้มาถึงจุดนี้วางายตายอยู่ในท้องแม่ห้าปีส0ปีก็พากัน <c oughs> หูหลนแตกดับจากคันห้าอันนี้เลยจสงว่าสัต์อย่างอื่นเขาไม่เหมือนพวกเราเขามาสเสวยกรรมก็ใส่ไปตามบุพเพของกรรมของเขาแต่เราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกรรมเหมือนสรุดสังเวชในดวงจิตดวงใจในหูในตาของพวกเรา ทัที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันนี้หละอืมหาฟันลานแทงกันอืออกเข้าออกจากบ้านไปเป็นห่วงสามีก็ดีภรรยาก็ดีลูกหลานก็ดีถ้ากลับมาจังว่าลูกว่าหลานเป็นอย่างเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพ้นกรรมนั่นแหาะทำให้พัดภาคกันอยู่ทุกเวลานาทีแม้ว่าพวกเราทั้งหลายถือว่ามีอากาศอันโชคดีได้บําเพ็ญกุศลได้กินได้ทานได้สร้างบาระมีร่วมกันแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆ นั่นท่านทั้งหลายพากันเข้าใจนั่นเพราะแม่ครูบาอาจารย์ที่ <c oughs> มาเกิดในเมืองไทยตั้งแต่ปู่ย่าตายายนั่นแหละบรรพบุรุษเลื่อดยาวมาศาสนานำศาสนามาโปรดพวกเรามาปฏิบัติตามปู่ย่าตายายที่ถูกต้องก็คือเพราะแม่องค์หลวงปู่เสาก็ดีหลวงปู่มั่นหลวงปูโ่โตหลวงปู่ทวดทั้งว่านี่อืมที่อยู่ในเมืองไทยของพวกเรา ไปได้หมดทุกที่ทุกทางเสื้อพรับอ่านพ่อปืดเห็นพระธรรมวินัยของพพุทธเจ้าเสด็จมาปฏิสฐานอยู่เมืองไทยพวกว่าอาจารย์ตามมาเมืองไทยเมื่อเกิดเมืองไทยก็ถือว่าโชคดีเออโชคดีอะไรโชคดีพ่อบูลพ่อกุศล เออที่หลักใหญ่ใส่สูงก็ที่เราเคารพนักถือสูงสุดกับผู้นำทางพวกเรามาเกิดกับบิดามารดาปุย่าตายาย้าพบพ่อแม่คุณครูอาจารย์เออมาพบพระมหากษัตริย์วันนี้เออเพิ็นการรักษาธรรมวันนี้รักษาบุญนนี้เพราะว่างานัตรายกับพวกเราทุกท่านทุกคนที่ไปเกิดที่ไหนก็ตามเพราะว่าเราอยู่กับกรรมอยู่กับเรนกรรมมานภัทยทุกอย่างเออที่บุญนี่ยากที่สุดคือพ่อแม่ดองตาประเทศนี่เลย หาทั้งวันทั้งคืนหาไปเดินไปบางทีก็ไปพบแต่กรรมอีกด้วยถ้าไปพบธรรมพบบุญพบปู่ชอเพื่อจะือสิ้นลมหายใจคือว่าเดินหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หาหลวงปู่ใหญ่หาหลวงปู่มั่นหาครูบาอาจารย์ผูเ้เพื่อนหูแจ้งตาใสผาูเ้เพื่อนปฏิบตัติถูกต้องดีงามสงบลมเย็นถ้าก็ลบหลีกปีไปกลัวกลัวความสลับกลัวกรรมกลัวเวรกับ อืมพวกลูกหลานบ้านเมืองพวกเราทั้งหลาย น, นี่แหละท่านกลัวตั้งแต่พ่อแม่อือสามปีสี่ปีก็ยังไม่ไปเยี่ยมไปไปใกล้ไปหาญาติพี่นอ้องเออถ้าใครสนใจก็ตามมาท่านอืมท่านในเทศอยู่บ่อยๆหลวงปู่มั่นตามเดินตั้งแต่เมืองอุบลมาถึงเมื อ, องสกลนครอืมภูเขาภูพานวัดจุทธวาสท่านก็เล่าอยู่ตลอดถ้าญาติมาเออหาท่านท่านก็อืมเหมือนพวกเรามาพบกัน เออทำบุญให้ท่านยิ้มแย้ยมแจ่มใสพระสงฆ์ก็เดินไปเดินมาท่านก็ไม่ออไม่ดุไม่ว่าอะไรเพราะว่าท่านเก่งใจญาติเอาใจเอาใจสายเลือดโวมหิตอันเดียวกันอยัางให้อยู่ฮักแพงกันที่สุดออคือมาขอบุญขอพรในในวันนี่แหละวันเช้าว่าเออป่วยพี่้าย เ, ออ เ, ออเป็นโรคนั่นโรคนี้กออ็ตายกันได้หมดทุกอย่างนั่นเลยที่เขาประมาทพลาดพลาดมาได้เป็นโรคอะไร ออกบ้านไปเลยเก็เรียกให้ไปรับเอาศพเรียกให้ไปรับเอาไปดูญาติใกลลูกไกล้หลานไกล้อะไรเป็นผู้พาธรมก็คือพนกรรมทั้งนั้นทงว่าพวกเราทั้งหลายได้กินได้ทานการาบไหว้บูชาทำมาตัดมาให้ตกทุกข์ได้ยากลําบากเส้นใจก็ให้ตกไปทางทางวิการทางวิก <c oughs> ารก็คือ มุ่วัตาบอดว่าไหวเส้าจิตพิษมนุษย์เพราะว่ามาเกิดเราจะได้ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปซาตต่อไปซาตต่อไปเว่าถ้าเราทำดีในปัจจุบันนี่บางทีเจ็ดซาตเสมอเจ็ดซาตย่ยอนลงมาหกห้าย่อนลงมาพบลงมา 3, 4, สามสี่ทั้งหลายก็จะไปในปัจจุบันนี่เลยไปที่ไหนก็ปรารถนาอะไรก็ให้ข้าพเจ้าถึงพระนิพพาน ืตามพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นอย่างมันว่าไม่มีเกิดไม่มีเก็บไม่มีเก็บ ม, ม, มีตายเข้าถึงที่นั่นแหละสุขอะไรก็ไม่เหมือนสุขจิตสุขใจก็สุขอยู่ในขันห้าล้วนี่แหละก่อนนั่นว่าภากันตั้งใจทํำกุมภาคความเพียรอดทนขันติไปเรามีที่จริงให้ทานมันก็ือขยับไปเรื่อยๆโน้นขึ้นการไว้อืมการมาให้ตกไปทางต่ําอืมถ้านผลทานไม่มากผลทานไม่พอเขาก็มายิกมาบีบมา เ่าบอกให้เราทำทำอะไรติบแข้งปวดขาสารพัดขึ้นคือโยมถวายขึ้นมาว่านั่งลงไม่ได้นานเลย ม, มันมีธนามากอะไรสารพัดควมคิดปรุงแต่งฟรุงจันโอ้ย น, น, น่าสะลดสังเวชนึกว่าเพื่นว่าเอาคำบริกรรมของพระพุทธเจ้าของพระแม่ครูวาอาจารย์ที่ มาสอนพวกเราบ๊วยพุโทโธก็ดีทรรโมก็ดีสังโฆก็ดีระลึกสิ่งได้สิ่งหนึ่งที่ให้จิตมันจ่ออยู่นั่นใครแย่งไม่ได้เออเพราะว่าทํางานลึกๆนึกอยู่ในในพุโทโธพุโทโธทุกลมหายใจไปทํางานเรามีสติอืหน้าที่อะไรก็ทําไปอย่างนั้นทําไปก็ได้รัพย์สินเงินทองมาแปรออกได้ทุกอย่างมากินมาทานมาดูจไปไหนก็สะดวกสบาย ไปใส้ไปหาบุญไม่ได้ไปอย่างอื่นเพราะว่าเราเขียดหลาบในการเกิดเขียดหลาบในการมนุษย์เราเนี่ยเขยดหลาบมากที่สุดในเวลามันเท่ามันเก่คุณเท่าคุณเก่ปู่ย่าตายายเราเป็นตัวอย่างให้เราดูพวกเท่าเพื่อท่านทั้งหลายอย่าลืมเมื่อลืมตัวเออหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปเลยจะเห็นเห็นความลำบากเห็นความทุกข์ความลาบาก ของสร้างอืนไปไม่ได้ก็เป็นทุกขินไม่ได้ก็เป็นทุกขพระว่าเมื่อเพิ่มเปิดโอกาสให้ตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปหรือสิบห้าปีขึ้นไปบางคนนิสัยดีพ่อแม่สอนก็ตั้งแต่สิบปีขึ้นไปเออตั้งแต่พระเจ้าเจ็ดปีขึ้นไปรู้จักแล้วก็หมอบการให้นั่งสมาธิภาวานาหยุดแล้วก็คือหยุดเพราะว่าวาลลามีสูงสุดแก่งกาเราปวดเอาพวกลูกพวกหลานพวก ผู้ที่มีอั น, นิสงบา ร, รมีมาตามหลังนั่นแหละให้ทานมาตามหลังคนแนะนำให้นั่งให้สะกดดูจิตดูใจคือว่าดูอารมณ์จิตใจมันจะปรุงแต่งไปเอาอะไรคือว่าไม่มีผู้เอาอะไรเพราะว่าอำนาจบา ร, รมีมันถึงกันแล้วให้ดูจิตดูใจในกันั่งนั่งลงและเย็นนั่งแตงค่ำพระอาทิตย์ ตกลงไปก็นั่งอะไรจะมาก็สั่างหัวมันเพราะว่ามันสุกยังนั่งได้นั่งผับเพียบก็ดีนั่งจะขัดสมาเทศก็ดีแล้วแต่นิสัยของใครของมันมถ้านั่งมันสุกแล้วเป็นนิสัยแลยอ่ะไปตามลายนั่นแหละธาตุขันนี่ทนทานกว่าเล็กกว่าขางหลวงปู่ว่าเพราะแม่ครูบาอาจารย์นี่พาอดทน <c oughs> ลำบากกากรรมมาก เพื่อจะได้จะได้ทํามาหาพวกเราถ้าเป็นอย่างอื่นนี่พังไม่ได้กลาบเลยเพราะว่าเข้าป่าเข้าเขาไปทั้งอดอาหารทั้งสารพัดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ออืหมอยาอะไรก็ไม่มีไม่แต่สิ่งที่ออ <c oughs> ืเพิ่มว่ามูทิตาทิพปมานดนบรรดาลมาให้เพื่มว่าอืญาติโยมอยู่นําป่านําเขาเห็นพระสงฆ์องค์ขาเจ้าไปกลาบไหวบูชาเก็บไข้ได้ป่วยดูแลท้าที ปู่ท่านมีอาการหนกักมากดูแล้วก็ไปหายาหากักไม้อะไรของโบนะราณมาให้มคือไม่ได้บรรลุบรดานบรรลุบรดานมาใส่นั่นแหละพวกเราก็ได้มาแต่นวดเลยอันที่เอามาปัวกันอยู่ทุกวันมาจากป่าทั้งนั้นหละมาจากต้นไม้มาจากน้ํามาจากหินอบางรายคนว่าน้าทะเลก็เป็นยา่ะคนโบราณทั้งอิจาร์ถ้ามาอยู่ทะเลสิบห้าคำ่ำน้าทะเลขึ้นมา ที่มันไหลมาอาวใหญ่เมืองละนองเคยไปอยู่ออคุณพ่อคเคยเจ็บเนื้อจางขังคอร้องห่อมร้อ ง, องให้เจ็บปวดมากพอมาอยู่เมืองละนองไว้สออิบห้าค่ำลงไปอาบไปดูไปดูปดแล้วคุณพ่ อ, อ, อพ่อขาวตาเจ้าออไม่กลัวขีเดียดคนอะไรสารพัดเขานำทะเลแล้วมันเป็นยานะ มันเป็นยาคนคนคารุบเดองใส่มันเป็นยายาดีต่อมาก็ไม่ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรขึ้โอมันเป็นค <c oughs> าพูดของโบราณศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละยงว่าได้ก็โดนบารดานลงไปนั่นแหละกลับทั้งทา ง, งใต้เราขึ้นไปทางอีสานวะไปถึงอางกาศทางโน่นไปขึ้นเขาพลังกาก็ดีไปบำเพ็ญกุศลก็หายไม่เจ็บปวด อะไรก็ดีขึ้นคว่าธาตุขันดีขึ้นจิตใจก็เบิกบานํำรญบํ า, าบเพลงกุศลก็ไม่ท้อถอยชาตุาขันไม่ให้มันก็ไปไม่ได้นตว่า้าใจดีจิจดีใจดีคือมาขอพอรวันนี้เลยทั่วถึงไปหมดผู้จุบ้านก็ได้ด้วยได้บุญแล้วก็ไปบอกกันไป หากันเราได้บุญเราสบายใจให้ทําใจนึกพุโทโธนะหลวงปู่สั่งให้นึกพุโทโธเมตตาให้บริกรรมพุโทโธและนึกถึงหลวงปู่นึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธเจ้าทุกพระ อ, องค์ที่ไกลจากกิเลสที่ท่านเสียสละรุ่มเทมกำลังมังธาตุขันที่วีดามันดาให้มา ไม่ได้เอาไปอย่างอื่นคือพวกเราเอาไปบำเพ็ญกุศลเอาไปบูชาปฏิ บ, บัติบูชากราบไหว้บูชาไปทุกที่ทุกทางพระหันนับประพันไม่ได้ผู้ชายผู้หญิงก็ขอให้มาบรรลบันดาลข้าพระเจ้าสู่เสี <c oughs> ยสระอดทนไม่ได้ไปหาสิ่งอื่นสิ่งใดอาศัยบุญกุศลผู ก, กลจจากกิเลส พระสงฆ์องค์เจ้าของพระพุทธเจ้าท่านท่านหละท่านก็ได้อืกำลังมังสาได้กำลังจิตกำลังใจได้ธาตุขันนึงมันแทบจะอืมพังทลายแล้วเป็นยังจะเป็นเนี่ยเพราะว่ามันลำบากมากที่สุดเลยตั้งแต่พ่อแม่ครูาอาจารย์อืมเพราะว่าเดินสามวันสีวันจงเห็นหมู่บ้านหนึ่งบางทีก็เห็นแล้ ว, ว <c oughs> ให้ยากบางทีก็ว่าโนวนว่านี่อยู่นั่นเลยออท่านก็ความบาตไปก็มี หรือไม่เอาเดินไปหน้าอีกถ้าให้แบบเหมือนพวกเราให้เออง่ายๆแล้วก็สั้นกรสานให้ถึงเวลาท่านบางคนมันก็ว่าอย่างโน้อนอย่างนี้อยู่นั่นเลยอ น, นั้นคือกิเลสค่ณกิเลสให้ยากยากเออเอาอะไรให้กันก็ให้ยากยากหาแต่สิ่งตอบแทนทั้งนั้นถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ให้ออคือถ้าเขาคือพวกเราทั้งหลายให้ให้ทำให้บุญให้กุศลเพื่อจะ เห็นความสุขความเจริญมากกว่าเสียสละปุ๊บปับให้อืด้วยศรัทธาบริสุทธิ์ใจเราก็ดีพึงขึ้นไปเลยดีพึงนั่งสมาธิไม่ต้องอืจมหาว่ามันมันหนักหรือมันเบามันนกเป็นเองมันเพราะว่าที่เราทําที่เราให้ที่เราเสียสละนี่แหละเป็นพื้นฐานเป็นต้นหลักคือพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นมาจากต่างประเทศเพิ่นทานข้างเดียวแล้วหมดจบเลย อือคือหลวงพ่อเซรี่มาอยู่กัตากมาอยู่เมืองกรุงเทพเรานี่ยแหละเพื่อนมามาจากเชลดามันว่าเกิดมาเพเคยทุกข์เพเคยลําบากไปใช้ก็สบายหมดทุกคนพ่อพ่อแม่เพิ่งรวยแล้วอืมบ้านเพื่นเมืองเพื่อนบารมีของเพื่อนพ่อหมดทุกอย่างเลยแล้วก็เพื่นหัวดีปัญญาดีความสลาดเพียงพอหมดทุกอย่างเลยเให้ให้คนรอบโลกทุกคนเออไปพบกันอยู่พลังการเล่าให้ฟัง แต่ทิฐิไม่ใช่ธรรมดานะคนว่าคนรอบโลกอืพวกเราเนี่รอบโลกก็โลกก็อยู่ในตัวเรานี่แหละดูเราให้ชัดเจนแล้วทำ ม, มันเกิดขึ้นไปดวงจิตดวงใจมันใสขึ้นคนมาเห็นธรรมมาเห็นบุญกุศลอยู่ในเมืองไทยคกนก็เริ่มก็ปวดขอบวดเขาพบกันอยู่พลังกาเรื่องท่านก็ยังบำเพ็ญกุศลนีธ่ธาตุขันของท่านชุดโมไม่ได้ไม่ได้สารสามเดือนท่านก็อยู่ได้นะ อันนี้แต่เรายังเด็กนี่คุณรูอาจารย์ทานว่าอดวันหนึ่งสินธรรมถูกต้องดีงามเนี่ยอดอสันมือเดียวทดสอบไปอาทิตย์หนึ่งสันมือเดียวมันก็ดีขึ้นมันก็หิวแต่รอบแรกเพราะว่าเราเราเริ่มฝึกมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็อดไปอดไปออาหารในจงอาปุถเจ้าพระแม่ครูอาจารย์วิการละโภสนาอือท่าซาล่างตัว น, นี้ออกให้มันถูกต้องอดทนได้ลู่ กันหมดทุกคนเห็นออว่ามากก็ช่องน้อยเพราะว่ามันหนักในตัวนี้มันทุกข์ในตัวนี้ในตัวอาหารนี่แหละคุณว่าแต่ว่าเราก็ขาดเกา่าคือพี่น้องทั้งหลายมีเงินเดือนเงินดาวพอสมควรได้อยู่ได้ใส่ได้จ่ายแจกจ่ายดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังได้ทําบุญทําทานไว้ตัวเองก็ไม่ได้เอามากไม่ได้ใส่กุมเปือยอะไรมากมายเพื่อจะได้เดินทางต่อไปแต่สร้างบุญสร้างกุศลดูแล ผู้มีพระคุณดูแลพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงว่าผลทานอออกจากขันห้าบิดามารดาจึงว่าือไปที่ไหนก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้บุญให้ได้บุญขึ้นก่อนบิดามารดาผู้พามาเกิดคือเราไม่ประมาทเพราะว่าเพื่นพามาเกิดเพื่อนเกิดดูแลเราถูกต้องดีงามจึงได้มาพบกับพุทธศาสนาก็ต่อกันไปถ้ามันอืม ท่นตันตื้อพูนว่าปัญญาอ่อนเอแ ท, ทะไปตามกระแสของกรรมแล้วก็ไม่เห็นกันเลยมันได้แต่ทุกข์ได้แต่วุ่นแต่วายนั่นแหละท่านทั้งหลายที่เราตั้งใจบําเพ็ญกุศลตั้งใจบําเพ็ญภาวนาในมบุญในกุศลของพระุทธเจ้าที่เพื่อนเมตตาไว้ก็คือสินห้าสินห้าที่พระกันพูดกันกล่าวไปนั่นแหละกายวาจาใจสวยงามเลยคือท่านทั้งหลายอยู่ในอืม กองเงินกองทองอย่างหนึ่งไม่ได้เห็นอะไรเลยไม่ได้ไปหาข้าหาแกงอะไรไปเห็นของทิพยืทีอเอามากินมาใช้มาจายอือก็เป็นบุญทุกลมหายใจเออต่อไปนั่นก็เดินทาง <c oughs> ไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยอืไปเห็นชีวิตของเขาหรือสัตว์หรือว่าอะไร อ, อืมเห็นก็กลัวก็หลีกอือพอใช้พอถอนก็ไปปล่อยกันไปชีวิตเราก็คือชีวิตเขาเพราะว่าเราผ่านมาเป็นมนุษย์แล้วเออผ่านออกจาก อืผลกรรมสูงนั่นแหละผลกรรมที่ว่าเขาเฉลยกรรมเลยเออจะเป็นญาติเราก็ได้คนนี้ว่าเออท่านว่าจังว่าให้พากัน <c oughs> ตั้ง อ, อกตั้งใจตั้ง อ, อกตั้งใจบาําเพ็ญกุศลต่อไปอืมไม่นานเราก็จะได้พัดพากจากกันไปเลยอืมอย่างมันเป็นอยู่อย่างนี้โลกอ น, นี้ เ, นเกิดเกยเสียตายพายไม่ต้องการพายไม่อยากเกิดมันก็ได้เกิดพายว่าเกิดมาแล้วก็เอาบุญี้ เอาจิตเอาใจให้สงบลมเย็นในการห้าของบิดามารดาปู่ย่าตายหญ่จบในการเกิดโทรตห้หงตอองาคนนั้นเออมันยังไม่เสียเวลามันยังเยอะอยู่ถ้าจะเอาก็รีบทําเอาเออโอด ท, ทนอยู่วัดก็เป็นวัดถ้าเรารักษาศินได้ อ, อืใครจะว่าอย่างไรเราก็ยอมรับเลยโดยเลยเออข้าพเจ้าหยุดแล้วข้าพเจ้าวางแล้วเออออไปที่ไหนก็ไปเลยไปยังไปหาความสงบลมเย็นมาให้ อจิตใจมันเศร้าหมองขุนมัวขึ้นนั่นท่านทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาโปรดแต่ละท่านละองค์ในจุดนี้อืมเอาบุญเอากุศลเอามรำมีของท่านมรำมีของท่านทุกท่านทุกพระองค์เอามาโปรดพวกเราอืมได้มามากมาย ก, กับกองเ็ยังเป็นทุกอยู่กับขอไปบวชกับท่านไปอยู่วัดกับท่านอืมต่อต่อบุญไปเลยือไปอยู่วัดก็บสบายเลยเพราะว่าอืมพ้อแมเ่เนี่ยพ่อ พ้ออะไรพ้อในบุญในกุศลพ้อในให้ทานรักษาศรรษาีลภาวนาเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์เลมแค่ขยับออกไปแยกแยกเพ่นว่าแยกสถานที่แยกไปที่โนวนที่นี่ก็มีแต่ความสุขความจเจริญไปหมดเพื่นจังว่าให้นั่งดูเวทนาของขันวนเวลาเก่เวลาเท่าถ้ามันเจ็บก็อดนิดนิดหน่อยๆนอ ย, นอยไปเจ็บมากก็เป็นนอ้อยเพราะว่าปู่ย่า ต, ตายายพ่อแม่เราพาเจ็บ เราก็อดได้โอ้เจ็บเดปวดเดแค่นั้นเลยนี่ถ้าไม่มีที่เพิ่งนี่เจ็บน้อยก็เป็นเจ็บมากดินรวนขนขวยยมืแล้วก็อืัททบตีบวีโบยไปหมดทั้งอันนั้นอันนั้นแหละแสดงแสดงทุกข์ให้โลกเขาดู น, นี่แหละท่านทั้งหลายที่เรามาเกิดถึกต้องดีง า, ามานนงามาพบกันในทําการของศาสนาท่า น, น, นทั้งหลายก็ถือว่าโชคดีเป็นบุญเป็นกุศลกูก็ รีบแข้งปวดขาว่าลงมารักษาธาตุขันคุณหมอว่าเนี่ว่ารีบไปมาก็เทวดาไม่ให้ติดขัดถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้เจอเลยวันนี้เทวดาวไม่ให้ติดขัดทางถนนก็นโล่งมากก็ดีใจตั้งใจคุณหมอก็ถ้าจะไปจัดเข้าไลายเขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะ อ, อแทงเข็มนี่อืมาด้วยกันคนหนึ่งหมอว่าฟังเข็มเอาไหมดูแล้วถ้าฟังเข็มจะหายไม่เอากลัวนี่ ต้องปูให้กลัวเอาเลยเขาให้มันหายปวดอย่างไรก็มาหาหมอแล้วให้หมอทําเลยแต่หลงวงตาบัวท่านแก่แล้วหมอไปท่านมาให้ทำเพราะามันแก่แล้วทําไปกับพอกเขานัแหละือมันจะเจ็บไปถึงวันไหนก็ลองดูมันจะท่านก็เจ็บมากจริงๆนะอืมันบูมขึ้นมันบวมขึ้นไปกราบท่านเพราแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เจ็บอยู่บ่ขะน้อยโอ้ยก็เจ็บนั่นแลเว้ยคุณว่า ผู้ทา้หลังลองให้กันมดในฉลาปูไปเยี่ยมไปทนปวดทนปวดเพราะแม่ก็ปวดุ่กอขะน้อยโอ้ยก็เจ็บนั่าเลวคนละเจ็บฮัลโหลโอ้ยเนละนั่นเลยท่านทั้งหลายแต่ว่าเจ็บมากก็เป็นเจ็บน้อยท่านอดทนท่านเป็นตัวอย่างให้ลูกให้ล้านให้ลูกศสียลูกหาเพราะว่ามันก็สมควรสมควรอะไรมันจะถึงร่อยเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเลย นั่นแหละอดทนดูปด โ, โปลดลูกโปดหลานพระเจ้าก็แค่แปดสิบพระพรรษาทั้งจักรรู้ื่องประสูติเท่านั้นในโลกอันนี้จะห้างก็พอพอแห่งแล้วหกสิบขึ้นไปเลยจะรู้คุณว่าจะรู้ในสังขารธาตุสี่กันห้าสี่สิบยี่สิบสามสิบนี่ขึ้นไปห้าสี่สิบให้รีบทําเอาจะทําอะไรก็รีบทําเพราะว่าสมบูรณ์พูนพงที่สุด เอาเลยนั่งภาวนาก็ไม่กลัวบำเพ็ญภาวนาเนี่เอาเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าเรารตั้งใจมาพบกันอย่างนี้แล้วก็เอาไปเรื่อยๆนะอย่าถอยเออคนถามว่าอยากสงบลมเย็นอยากาถึงสุขอยากมีความสงบมันก็เราจะูมิปัญญาของใครของมันเราจะบุญของใครของมันอย า, า, ากวันนี้ไปหลวงปู่ก็เมตตาให้ ให้บุญให้พรให้ความสงบร่มเย็นอืมเข้าถึงจิตถึงใจของพวกท่านทั้งหลายอือะไรทั้งปวงอยู่ในโลกนี้ก็ได้หมดทุกคนนี่แหละยังได้สายสร้อยทองคำก็ซื้อเอาจะได้อะไรก็ซื้อเอาอืเงินทองคนแต่งมาให้เราใส่เราจ่ายเอา ม, มาแล้วก็แค่นั้นบางที่ก็เป็นภัยกับเราด้วยเงินพัยทุกวันนี่ถ้าอของมีค่าถือออกไปให้เขาเห็นเลยระวางไว้อันตรายเช่นว่า เอาเอาเสืองไว้ลึกๆเลยค่ะเอาไว้แต่ทำบุญทำกุศลดีกว่าให้จิตใจมันเนื้อเนื้ อ, อกรรมเนื้อทุกข์เนื้อลำบากนั่นแหละท่านทั้งหลายพากันเข้าใจ <c oughs> ถือว่าโชคดีโอ้ลำลายแห้งเลยเพราะว่าหมอท่านก็บอกว่ามันก็มีอาการอย่างนู้นอย่างนี้ก็ก็สอมไปดูไปเพราะว่าไม่ไม่ใช่ของง่ายโอ้ ฟังเข็มนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็เผาอะไรอีกรลอนนี่รอนเออแปลว่ารอนก็ช่างว่ามันไม่เหมือนใจรอนใจเย็นอยู่เอ อ, เ อ, อ, เ อ, อตรงว่าทวโรกนี่ใจธาตุขันอุดมสมบูรณ์หมอดแต่ใจรอนนี่ไม่เอาเออธาตุขันนี่หมอดูแลธาตุขันให้มันจะรอนจะอะไรก็ช่างว่ามันแล้วก็จะดูไปอย่างนั้น แต่ว่าเวลามันร้อนมันก็ไปเผาตัวมันพาเจ็บพาปวดตอนเราเออนั่งอยู่นอนอยู่นั่นแหละเราอยู่ส่วนตัวผู้เดียวมันร้อนขึ้นมันเจ็บขึ้นแล้วก็เลี้ยวหาใครจะมาช่วยอันนี้หมอทําแล้วมันเจ็บมันปวดแล้วก็ยอมรับให้มันบีบเข้าไปไปหาหมอหนวดบางคนล่องให้ล่องหูครับบีบอืมแต่ที่จริงล้วก็เสียเงินเพิม่มเจ็บปวดครับบีบเขาอะไรทุกอย่างเหยียบจนบางายกระดูกกระดูกจนหลุดมันเขาก็สวช่วยนั่นแหละแต่ว่า ถึงเวลามานะัน่ะตายกันได้ทุกอย่างนั่นแหละไปหาหมอหมอกลักวแต่ว่ามาทําก็เขาก็อยากได้เงินแบบเออใครก็ต้องการเงินจุดเดียวนี่เออแต่ว่าก็ช่วยเต็มที่บางคนก็ตายใส่หมอก็มีตายใส่หมอทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทําไปเรื่อยๆก็ต้องเจอเจออะไรเจอความ ไม่ไม่ต้องการนั่นเลยนั่นเละท่านทั้งหลายโอ้ยไม่ใช่ของง่ายเดือดรุ่กันนี้โลกที่เรามาเกิดนี่ ถ, <c oughs> ถึงต้องดีงามก็กคือบำเพ็ญกุศลให้ถึงพ่อมให้จิตสงบให้ใจเบิกบานจิตผ่องใสใจเป็นสิริมงคลเป็นกุศลกับธาตุขันธ์มีดามันดาให้มาพากันถือเอาบำเพ็ญภาวนาต่อไปอย่าถอยเอาไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าถอยทีนี้ มาถึงเป็นีแปลกนะอากาศเปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติหนาวทางอีสานก็นิดๆหน่อยๆบางทีฝนก็พอแค่ น, นั้นเลยแล้วก็จะล่าลำบากต่อไปมันมันเป็นไปได้เพราะว่าธรรมชาติมันสูญหายไปมากแล้วถ้าพวกท่านรูในบ่องเงินบ่อทองนี่ถ้าเขาส่งของมาไม่ได้ก็กลำบากเหมือนกันนั่นแหละ นนั่นแหละที่เขาอุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศฟ้าฝ น, น, ำนอำนวยอุยพรณให้พวกเราก็อยู่เย็นเป็นสุขต่างคนต่างหาแลกเปลี่ยนกันนั่นแหละท่านทั้งหลายก็ภาวนาสร้างวารมีก็ทำบุญให้ทานก็ให้บ้านเมืองประเทศไทยของเราอุดมสมบูรณ์ไม่ให้ขาดตกบกพร่องอะไรทางสิ้นต่อไปนี่แหละท่านทั้งหลาย <c oughs> ที่มาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสติปัญญา ว่มทุกข์ข่มลำบากพุทธังารนาคัสามอใจชรนาคมไปบางที่คนว่าม <c oughs> บาีบางบางพิธีกรขอให้พบภาลิยาแม่ไตว่าบางลายคนก็ว่าอีกสองปีจะมามาคนเก่ อ, อายุร่อยกว่าปีคนก็ว่าถึงปัจจุบันเท่านี้เลยคนก็จะชะล่างให้ บ้านเมืองเราใช้สะอาดต่อสินต่อธรรมพระพุทธเจ้ามันก็ถือตองนะอืมพากันเพื่อถือพากันร่วมพลังสา ม, มัคาคีกันบอกลูกบอกล้านให้มีศีลมีธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันของพวกเราราชการที่สิบเพื่อนว่าพระอริยเมตตาจะลงมาโปรดจะลงมาโปรดก็คือพวกเราจะมีศีลมีธรรมมันเข้มงวดกวดขันเรื่องกรรมเรื่องเวรแสดงอกอกนั่นแหละมันบอให้มันเกิดขึ้นมันเกิดซาลางบอกกันทั่วไปกั เผยแพ่ศาสนาของพระเจ้าอืมไปบางที่เขาให้นับถือก็สร้างเขาแต่เห็นเขาดีเขาก็ต้องดีนำํำหละให้เราดีก่อนออถ้าเราไม่ดีเราทะเลาะผอพิ้งกันอถือศาสนาว่าสูงสุดถ้าเราผอพิ้งกันเขาก็ออว่าเราไม่ถูกต้องเขาก็ไม่ถือเขาก็ไม่ยินดีด้วย <c oughs> ถ้าเราสามัคคีกันเนี่ยดีหมดทั่วโลกกระถางออมาที่ไหนก็โอ๊้สาวพุทธ ยิ่งแย่เปี่ยนสายมีอะไรก็แจกจ่ายบางเงินกินดูเขาคืออดทนมากที่สุดหิวฟันผ่องใสจิตใจเบิกบานออกระบุญกับกุศลเสียสละดูแลกันไปพี่น้องทั่วโลกธาตุมาบ้านมาเมืองเราก็นำสิ่งของเงินทองมาให้พวกเราใช้ใจใ่ายให้เต็มให้เต็มดวงจิต ด, ดวงใจให้ทานให้จเจริญจิตตจภาวนาให้มันรุ่งเรืองต่อไป นั่นแหละท่านทั้งหลายไตสรณะโกงของพุทธเจ้าที่เออือได้ตั้งเพินมประสิทขึ้นเออน้โมพุทธายากามมะกรรมโตน้โมก็ความนอกๆไม่ทําบาปทํากรรมพเพื่อน่าเออแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ที่เพื่อนสรุปลงมาใกล้ๆหน้าโมพุทธายากามมะกรรมโตอิมิตังสิวิตังจุติหออน้าโมก็คือความนอกมพุทธายะแล้วก็ไม่สร้างบาปสร้างกรรมอีกต่อไป เป็นคนดีมีปัญญาจากตั้งแต่เวลานาทีนี้ต่อไปออกรร ม, มโตรกรรมของพวกท่านทั้งหลายก็จะได้ยุติลงในปัจจุบันนี่เลยเป็นพุทธว่นะเลยเรถ่งว่าสิยตังจุตินี่เลยพุทธแปดมื่นสี่สพันพั 8, 000, 4, 000รธมรรคใจธรรมร ท, ที่คนให้สวดให้ว่าอยู่น้อมเข้ามาพากันตั้ง อ, อกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาดูค่ะ อดทนเพียนไปอันนี้ของส่วนตัวที่จะนําดวงจิตดวงใจเราห่างจากความเกิดความเจ็ความเจ็บความตายอันนี้นะพากันเข้าใจถ้าเอาไปเรื่อยๆมันมกล้าทําไม่เอาอะไรทางศีลเลยบัาสุดท้ายข้าพระเจ้าพร้อมพอแล้วประจับอะไรก็ติดอันนั้นเป็นทุกขึ้นทันทีอนั่นแหละเพิ่งก็เล ย, กกเลยให้เตรียมตัวไม่ให้ยืดให้ถือ แ็กจ่ายฟันกันกินปันลูกปันหลานอะไรมีมากมายกายกองก็เหมือนไม่มีนี่แหละคนที่สลาดมีปัญญาเพร่อจะว่าโลกะนี่มันเอาไปไม่ได้จักถะอย่างเลยก็เห็นกั น, น อ, อ, อยู่ตลอดะไปงานขคาทรงส ก, การให้กันก็ไปแค่กองไฟแล้วก็ไปแค่ที่ฝังเท่านั้นแหละนะเมื่อเรายางอยู่เลย เอาให้เต็มที่เลยเอาอยังเอาบุญนั่นแหละแจกจ่ายคนพราทำอะไรก็ทําไว้ในศาสนาในแผ่นดินเรานี่แหละสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างถนนโน้นทางให้ไปมาสะดวกหากันสะดวกสบายก็ทําไปช่วยกันเออเราก็จเจริญรุ่งเรือ ง, ง, งบา ร, รมีของพระพุทธศาสนาที่ท่านได้เสียสละทานในวันนี้เนอะมีใจอืกับไปรุ่งเรืองเจริญหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายยาก ปัถนาสิ่งใดก็ขอให้หลุ่งเรืองเจริญผ่านเออก็ ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนั่นยิ่งใหญ่เลยแหละ ว, วันนี่โอกาสหน้าจังว่ากันไปอีกมันคอแห้ง <c oughs> ยังเหมือนอาลาคือว่าตื่นเต้นไปหาคุณหมอคุณหมอก็ดีหลายอืก็คืดหอดพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ทั้งนี้ด้วย น, นั่นแหละก็สงควรกับเวลาส์เพื่อจะได้ไปทํากิจการงานอะไรก็เป็นวันสั ป, ปดาห์สุดท้ายเลยวอนอื่นนี่ก็พักผ่อนแล้วก็ต่อไปดูแลหูทิพย์ตาทิพย์ก็นอยู่นี่แหละ เออถ้าคิดถึงก็อโรมอาหมมาแ้มาอย่างมาเที่ยวพี่น้องที่ที่อีกแล้วกมาอีกได้นะนั่มาบินทบาทดีใจเป้นบุญเป็นกุศลก็ขอบุญบรารมีที่ได้เมตตาบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่เริ่มแรกสามสิบหกปีแล้วที่ได้ออกมาบวชเสียชละโดดออกพระพุทธเจ้าอดโดดออกทางหน้าต่างล้วก็ เออออกทางประตู <laughs> ออกทงประตูบ้านหน้าบ้านก็เออไม่ได้มาไม่ได้อยากได้มาละอยากอยู่ไปอีกยักเล็กยักษหน่อยเขาก็ให้อยู่ให้ไปไปใสไปหาชิ้นหาธรรมไปเข้าป่าอือท่านอยากไปสวัสดิพานก็ไปเสียตัว่เออในบ้านก็ดีอะไรก็ดีเออเราก็ สาธุสาธุเราจะไปจริงๆนิพพานนี่ไม่ได้มาเกิดอีกเอเรากลัวความเกิดเลยเพราะว่ามันทุกข์มันลําบากจริงๆนั่นแหละเราไปพบพ่อแม่ครูบา อ, อ, อาจารย์ครูบา อ, อ, อาจารย์เซรีครหลวงปู่บุญมีพ่อแม่กรรมาฐานทุกฐานทุ ก, ท ก, ทกองค์ก็ให้อดทนอดนาะไม่ได้ธรรมดานะท่านเข้าวันเว้นวันตั้งสัจจอวันเว้นวันเมือ่อลงชันก็เอาแค่สามคำแต่นั้นยังไม่อยากยังไม่หมดบางที ขันนี่ยมันดูดกันเหมือนกันกับดินแห้งๆลราถอกน้ําใส่เออเราต้องใส่มันก็ดูดถอกใส่สองขันมันก็ยังไม่ไม่ไม่ฟูขึ้นมายังไม่เห็นน้ําเลยแต่ว่าเรเอาลงน้อยๆมันก็ยังไม่ยังหมดเพราะว่าจีบมันเข็ดมันหลาบมันไม่อยากเอาเออก็ทนไปอยู่ไปมันก็เบาเพราะว่าธาตุขันมันสมบูรณ์ช่วงนั้น มันก็ทำได้เห็ุได้เพราะว่าจิตมันใสต่อพระพุพะทธธรรมพระสงต่อเพราะแม่ครูว่าอาจารย์ผู้คนใกลยจากกิเลสผูนสอนแล้วก็เสื่ออดทนไปผ่านนิดๆในหน่อยมันก็ชนะไปที่แรกเราก็กลัวตายนั่นเลยถ้า มันไม่ออกไปบินดาบไปบินบาทเขาไม่ใส่ก็กลัวตายแล้วอันนั้นไม่ไม่ถูกต้องออเออเราเสียสละไปแล้วไม่มีก็อดบดตายอย่างเดียวเดียวมันก็ไหลมานั่นแหละท่านทั้งหลายพากันตั้งใจอดทนไปก่อนนะจะเรื่อลุงเรื่องในบุญในกุศลสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยปากกาลัสะน่สาธุ